วันนี้จะเทศนาเรื่องค้นสี่เ่าค้นเกิดมาต้องสี่จำพวกนี่ละในโลกอันนี้ไม่นอกเหนือจากสี่จำงพวกนี้หรอกคนสี่จำงพวกนั้นท่านบอกว่าตะมโมตัมมะ ประยะโนท่านว่างนั้นคนมืดมาแต่บนต้นเกิดขึ้นมาแล้วมืดแต่บรงตน้นแล้วก็มืดต่อไปอีกจำพวกนี้ใช้ไม่ได้ตัมโมโชติประาโนมืดไปแล้วสว่างไปนั้นก็ ย, ยังดีหน่อย โชติตมโมปรายโนสว่างบมื่อตนัวมืดเปืองทาปลายบางมันปลายอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันตโมโชติรายโนตโมโชติโชติปรายโนสว่างแล้วก็สว่างต่อไปนั้นดีมากเปนว่า่นั้น สี่แยกกวนนี่แหละคนในโลกนี้ทั้งหมดอยู่ในพวกในสี่แยงวกวนนี้ทั้งนั้นบางครดเกิดขึ้นมาไม่รู้เดียงสาเลยเหมือนกันกเกิดสัก์มืดตื่มมดพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราว เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีประจำตัวเลยเข้าใจว่าเราโง่เง่าเตาตูตนไม่มีสติปัญญาแล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำบุมดีต่อไปเห็นว่าหมดวิสัยของเราแล้ว ทำเติมเข้าไปอีกให้โง่เข้าไปอีกให้ทึบเข้าไปอีกให้ตื้อเข้าไปอีกอ น, นั่นนะเรียกว่ามืดมาติดต้นแล้วก็มืดต่อไปอีกคนเราให้คิดดูเกิดขึ้นมาถ้าม่ศึกษาและเรียนจะม่คงมรู้อย่างไหเรียนอย่างน้อยที่สุดก็ก็ได้ผมรู้ อันนี้ถือว่าจนโง่แล้วก็เลยไม่ศึกษาลเรียนได้ไหมปฏิบัติมันก็ยิ่งโง่เข้าไปกว่าเก่าคนที่เข้าใจผิดเช่นนั้นจริงว่าผิดพลาดจากมนุษย์เลยทีเดียวเป็นมนุษย์แล้วก็วผิดพลาดจะจากมนุษย์หมดทุกสิ่งทุกประการ แทนที่จะคิดถึงว่าความมืดความโง่ของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันโง่ที่สุดเราจะต้องแสวงหาเครื่องสว่างเป็นเครื่องส่องทางเราถึงแม้มากกว่าตัณฑ เ, เดียวก็เอาก็เป็นการดีอันนจมากกว่าดี คนนั้นเนี่ยว่าค่อยสว่างกันสักหน่อยอย่าไปถือว่านิสัยบุตรวาสนาแล้วไม่ให้หรือไม่ส่งเสริมบุตรวาสนาของเราเลยเกิดขึ้นมาบุญวาสนานิ้ัใสใจของเรามันสามต้อยไม่สามารถที่จะเจริญพานาธรรมสมาธิได้เลยมดเขียนแข น, น เราเห็นแนวหรือวาทนานืสัยของเราเรารู้เลยครบครันชาติก่อนเราทําอะไรไว้มันยึงโง่เงาต่อตูนมันยังทื่อมันยังไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นเราไม่เห็นไม่รู้เรื่องหรอกแต่โดยความถือเอาที่เฉยโดยความที่ว่าเราไม่มีปัญญาก็เลยถือเอาที่เืฉยที่น่ะ ถือว่าบุญวาสนาได้ก่อนเราไม่มีจะให้บุญนั้นส่งเองให้บุญนั้นส่งเสริมไปเองเมื่อไหลมันจะส่งเสริมให้เราบุญวาสนาเราต้องขวัญขวายเราต้องแสวงหาเราต้องงบหลมที่ คันท่าแล้วมันอารมณมันจะเป็นหนึบุญว่าสนาไม่จะส่งเสริมอะไรให้เราเกิดขึ้นมาการ น, นอนแปะอเพียงแค่นี้แหะบุญว่าสนาไม่ได้มีอะไรให้เราเราที่จัเปีนี้ต้องทำบุญกระตุกของเราว่าสนากระตัวของเรานิสัยกระตุกของเรา เ้าทำให้มันเกิดจะมีขึ้นมาหน่อยมันไม่มีมากกว่ต้องมีน้อยทำแล้วมันต้องได้มันไม่ทำมันจะได้อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงค่อยจะเจริญต่อไปคราวนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ แล้วสว่างต่อไปเพราะนั้นมันดีมันบุคคลผู้แสวงหาต้องเป็นอย่างนั้นต้องแสวงหาทางพ้นจากทุกต้องแสดงหาคนดีมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาไม่ใครแล้วจะเป็นนักปราชญ์อาจารย์จะเกิดมาไม่มีทั้งนั้น เป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวไม่มีใ้ต้นมันต้องอาศัยการสุดฝนอบรมทั้งนั้นต้องมีการศึกษามีการ เ, าเรียนตั้งยีสิบปีกว่าจะเป็นคณาดาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ก็ได้าน่แน่ว่ามืดไม่ใ่ต้น แล้วก็สว่างค่อยสว่างตอนปลายอันนั้นดีมากกูเห็นๆนั้นคานี้สว่างมือต้นไหนกันนี้มือตอนปลายอันนี้ไม่ดีเกิดขึ้นมาเป็นคู่ฉลาดเขียบแหลมเกิดขึ้นมาในตระกูลนันดี มัง่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการแต่กลับเป็นคนเหลวทําชั่วเห็นด้วยเรามีเงินมีทองเรามีนอนอยู่ในตะกูลนั้นมันม่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์มีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆกลับทําชั่วยิ่งไร้กฏเก่า ทำได้ทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างเพราะมีเงินมีทมองเพราะมีชื่อมีเสียงมีตระกูลพ่อแม่ของเรารุ่มรวยพ่อแม่ของเรามีอำนาจวาสนาทำอะไรได้หมดเราทำเมื่อทำไปแล้วนั้นยากที่จะ ก, กลับคืนมาหาความดีได้ คือมันเลวซามาแล้วนิสัยชั่วเข้าไปแล้วติดสันดานทั้งตนครับคือเนาะเป็นมาทำดีก็อับอายขายที่หน้าเขานั่นทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้คนอื่นว่น ว, นวายเพราะเหตุเราคนเดียวเท่านั้น นั่นแปลว่าสว่างมาแล้วกลับมืดไปอีกอ น, นั้นไลยกาดกว่าเพื่อนไลยขาดกว่าที่ว่ามืดแล้วกลับมืดอีกนั่นอีกลายกาดกว่าที่ว่ามืดแล้วค่อยสว่างไปสว่างแล้วมืดเี่กลับไลบ่นกคนอื่น โมโติไอโชติโชติปรายโนนั้นดีมากแล้วเกิดขึ้นมาในแต ก, กูลเกิดขึ้นมาในแต ก, กูลนั้นที่มั่งคั่งสมบูมรณิบูรณ์มีเกียตรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทองมากมายแล้วมาคิดถึงตัวว่าเราอ่งดมสมบูรณ์แน่น ขอบุญวาา่าตสลาวัพตีแต่เก่าอันนั้นเลยเห็นชัดไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลไม่ต้องอธิตยานอะไรหรอกเมื่อก่อนเมื่อต้องเกิดอธิตยานเห็นแล้วในปัจจุบันควรที่มีเมตตาภาณีควรที่เห็นดูส่งข้อสงหาคนอื่นตัวของเราก็ ให้อยู่ในสินในธรรมแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ตั้งมันอยู่ในสินในธรรมให้ประพฤติดีประพชอชอบแล้วก็เป็นในการกุศล น, นานเหนืยกว่าจเจริญรุ่งเรืองต่อไปจเจริญรุ่งเรืองทั้งตนด้วยทั้งคนอื่นด้วยเมื่อจเจริญทั้งตนแล้วเนี่ สอนนักคุนเจริญรุ่งเรืองไปด้วยตัวของเรายิ่งได้ความเตือนยิ่งยิ่งไปอีกกวดจำกวดปกติธรรมดาเขาคุณเขาได้รับคุณงามความดีเขาก็ส่งเสริมผู้ที่เราผู้ที่สอนเขาเพราะฉะนั้นยมนับถือนับหน้าถือตายงยองฉันนักเสริมนานในคิดถึงคุณงามความดีอย่างนี้ ไม่ใช่เราไปคิดถึงตัวของเราแล้วว่าเรามีเรารวยเออมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วขมเหงคนอื่นอันนัน้นกลับเป็นทำชั่วต่อไปมืดต่อไปอีกอันนี้ทั่วทั่วไปที่พูดถึงเรื่องคนสี่อย่างพวกนี้ทั่วๆ่วไปต้องเป็นอย่างนั้น ท่านี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะที่ควรปฏิบัติตโมตมะปรายโนเราเป็นคนไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่คิดจะทำคนสมาธิภาวนาคุณงามความดีอะไรทั้งหมด เราเป็นคนทุกคนจดเราเป็นคนไม่มีสติปัญญาเคยหมดหนทางที่จะทำคุณงามความดีต่อไปคือหัดสมาธิภาวนา น, นั่นเองเราเป็นผู้ปฏิบัติานิตมโมตมะตมโมชโติปรายโน เกิดขึ้นมาทุกคนตอน้องมืดมนด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่สว่างมาแต่เบื้องต้นชินก็ไม่เลยจากสมาธิก็ไม่้จากปัญญาไดียวก็มารู้จากเบื้องตน้นให้เกิดขึ้นมาจะเรียนมาแต่เบื้องต้นไม่มีแล้วถึงเรียนรู้แต่เบื้องตน้นชาติก่อนเรียนรู้แล้วก็ตา่างการเป็นคนต้องเป็นบุตรชนธรรมดาพระรีเจ้าก็ต้องเป็นบุตุชนเดียก่อน โสดาที่กิตาคาร์น้ชาตก่ตอนมาตามถือเมื่อเกิดกรับเมื่อเกิดมาเป็นคนนี่ก็ต้องเป็นกุติชนธรรมดานี่ครับแต่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันหา่างบรรดมนดานนิสัยวาสนาติตนนั้นได้ยินได้ฟังว่าเกิดความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมยิ่งกว่าเพื่อนมันยังสามารถ กลับตัวให้เป็นคนดีได้จะสําเร็จน่ายจะกลับตัวเป็นคนดีได้ให้เป็นพระอาจารย์ให้เป็นพระ เ, เดียวต่ออาเรียกเจ้าต่อไปเรียโสดาธีกิทาคาราคาต่อไปถ้าใส่นั่นแหละบุญว่าสะดาแท้ไม่ใช่จะเอาโซดาที่ก่อนนั้นมาเป็นโซดาเดียวนี้ไม่ได้หรอก ไปคิดากาได้ก่อนมามริาาสุทธิธรรมไปคาิดากาเรื่นี้ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นยังว่าเรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดระพยัยญามที่ตั้งใจจะเป็นคนสวนัสด์เห็นเขาทำดีทำดีไปอยากจะดีอย่างเขา ยางคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาเขาตั้งใจพยายามทำต่อไปการพยายามทำนั้นต้องเป็นผลํำเร็จศาสนานี่ต้องอาศัยการทำไม่ใช่การอยู่เฉยเฉยพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทั้งนั้นจึงจะดีต่อไป ทำต้องทําจริงๆจร ง, จร ง, จรงพยายามทาจริงๆจัิ ง, ร ง, รงเราจะไปอ้างว่าการเวลาเราจะไปอ้างงานธุระจิตการงาน น, านนั้นนี่อต่างๆนนั้นมันเป็นเครื่องประกอบไม่ใช่ของเราเครื่องประกอบมาเชี่ยทอ น, นั้นเนี่ยของเราแท้คือการกระทานี่แหละ การทำคุณงานความดีเนี่ของเราแท้แท้ครับสมาธิภาวนานี่หละตั้งสติกำหนดจิตนี่แหละของเราแท้แท้เดียวนี่ขเขาจะเ ด, ดม่แย่งเราไม่ได้เราเราทำได้ได้เป็นของเราการงานให้เงินนะทองเข้าของสมบัติอะไรต่างๆของภายนอกมันไม่ใช่ของเรา เราใช่ในะเมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วตายไปแล้วไม่เห็นเอาไปสักคนเดียวให้คิดเสีย อ, อย่างนั้นจิงค่อยทำได้ทำสมาธิภาวนาทุกอุปยาบททีเดินนั่งนอนอันนี้เป็นของของเราแท้ๆควรทำแท้อะอย่างว่ามืดแล้วกลับสว่างต่อไป แล้วขานะะมีมืดแล้วานี่นัสสว่างแล้วกลับมืดล่ะมีมากทีเดียวเรื่องพนี้เมื่อหัดสมาธิภาวนาเกิดความรู้ความฉลาดอาถามคูดจ่าพาธีของแถวเพราะเป็นเองเพราะเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาในใจของตนเอง ขั้นต่อไปแล้วเกิดความประมาทประมาด้วยกิจวัตรอวัดต่างๆประมาดในการทาสมาธิภาวนาโดยเสื่อมเสื่อมแล้วคราวนี้ทาไม่ถูกสมาธิภาวนาต้จะทาให้ถูกทำงไงยัไงไงก็เลยทาไม่ได้ เคยเบื่อหน่ายเคยเกียในผลที่สุดเป็นผ้ากดซึกเป็นชีกดอราชีเสียเป็นคาราวาชกดกราวัดวาเสียเลยไปทำมาอจินตามปกติธรรมดาแทนที่จ ะ, จะเจริญต่อไปเลยกลับเสือเ่อมเสีย น, นั่นแหละน่าเชียดายมากทีเดียวน่าเชียดายด้วยน่ารงสารด้วยนั้นของดีๆทำมาแล้วนั้นเลยกลับทิ้งเสียทอดทุราเกียยังมีหน้ำบางคนพูดเหยียวยาด้วยถูกกันอีกศาสนานี่ทำเท่าไหร่ก็ทำเถอะ ถ้าไเจ้าทำมาแล้วถึงขนาดนั้นยังไม่เป็นไปยังเสื่อมเสียได้มัน น, น, น่าเสียดายมากเหยียดหยามรู้ถูกศาสนาการบวชการเรียนการศึกในการสวัดบงธรรมเคยมีเหมือนกันในวัาทีงเคยมีเหมือนกัน ใครอะไรทำบุญทำทานในวัดในว่าฉันทำมาแล้วมากมายไม่เห็นได้เลยหรอกเคยมีมาแล้วนอกจากนั้นเดอตัวของเราตัวคนคนนั้นเองเน่มองเมา้ดยเราเลยกับจาสร์สารพัดทุกอย่างในคนที่สุด ควรจะตายมาให้รู้สึกตัวหมดแล้ ว, ห ม, ลวหมด ท, ทั้งๆแก้ไขแล้วอันนั้นเรียกว่ามืดเบื้อต้นในสว่างเบื้องต้นแล้วกับมืดที่หลัง น, นั้นน่าจะได้มากสว่างแล้วสว่างต่อไปนั่นไม่มีข้อติ ไม่ต่ออธิบายสว่างสว่างต่อไปสรุปรวมจะควมเรียกว่าศาสนานี้สอนให้กระทำได้น้อยกว่ากระทำน้อยแหละยินดีพอใจกับการกระทำของตนเรามีน้อยมีมือได้น้อยแล้วก็เอารับเอาของไดน้อยแหละ นับอามากเกินมือเกินกรอบของเราก็กรอบไม่ได้แล้วก็กรอบก็โวยเท่าที่มันมีอยู่ในมือของเรานะับมือ น, น้อยๆนะเรากำลังน้อยแล้วก็แบกกะหามาเท่าที่มันแบกได้นะอย่านั้นอมากก็ทั้นกับแบกไม่ไหวหลังหักความยินดีตามีตามไดท่านบอกว่าเป็นสมบัติลำค่าหาประมาณม่ได้ อะไรทั้งหมดก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมะหรือว่าของภายนอาเหมือนกันมีน้อยแล้วไม่ขอใจเพราะนั้นเสียหายมากอย่างเขาเล่าถึงเรื่องเขาไปเก็บเห็ดในโคกเห็ดดอกเดียวเลยไม่เอา ไปเห็นที่ไหนก็เห็นดอกเดียวไม่เอาหรอกท่ามากๆคนคนหนึ่งได้กลับเก็บเห็ดดอกเดียวนะเห็นดอกเดียวเลยเก็บเห็นดอกเดียวเก็บเรื่อยไปกลับมาบ้านได้พอหม้อแกงคนที่หนึ่งเห็ดดอกเดียวแล้วไม่เก็บก็เขามาบ้านเห็นเขาเก็บเก็บเห็ดดอกเดียวมาแกงเต็มหม้อ ไปได้เ็ด่ายงเก็บเห็ดเดียวแล้วเอามาแกงหมอนี่ไม่แกงหมออร่อยแกงเห็ดหมอนี่เก็เ็ดเดียวเนี่ยเขาว่านะนั่นนื้อตัวอย่างความมั่โลกอย่างใดมมากไม่ได้หรอกลองดูที่หาเงินนาทองใครได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่เห็นมีหรอกเก็บอัเจตาตานี่ทั้งนั้นน่ะ เก็บบาเก็บเบี้ยนีนท้งนั้นได้แต่ต้นมาดก็ดีไม่ค่อยจเจริญเหมือ้หอมงามมาด้วยลำดับนี่เราถือดูใจความรวมเรียกว่าพอใจกับธรรมะที่เรามีอยู่ยินดีพอใจเช่นว่าเมตตารุณามุทิตาอเปขาเห็น มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดเมตตาเมตตาไปว่วมิตรเหมือนกับตัวของเราของเขาเขาทุกข์ก็เหมือนกับเราทุกข์เขาสุข ก, ก, ก, ก, ก็เหมือนกับเราสุขเอาอันนัน้นอันเดียวเท่านั้นแหละทำใจให้เปิดบาททำใจให้กวงขวางทำใจใเต็มตื่นอิม่มในอิ่มอกอิ่มใจของเรา มันในเมตตาเมตตาคือมันมิตรมิตรก็คือคล้ายๆเลยเขาขเราอันเดียวกันเป็นมิตรเหมือนกันการุนาอยากจให้เขาได้ความสุขสงสารเอ็นดูอยากให้เขาได้ความสุขมันทุกข์ก็อยากให้เขาได้ความสุข มูทูตาเขาสุขแล้วอย่างนดีพอใจกับเขาพอใจยินดีกับความสุขของเขาอนะันนั้นอย่าไปอิจฉาเบียดเบียนเขาดีแล้วไปอิจฉาเบียดเบียนเขาไม่ได้เพรานั้นไม่ไม่เปลี่ยนธรรมธรรมใจของเราเจ้ามองเหตุนั้นเมตตาท่านเนีสอนให้ เป็นครอบคอคือมีเมตตาต้องอยากให้เขาได้ความสุขถ้าเจ้าขอย่า่นได้ความสุขแล้วก็มูทุตตายินดีพอใจทับงความสุขเพรนั้นกรุณาพอใจอยากจะให้เขาความสุขมูทุตาก็ยินดีพอใจกับเขาเลยเป็นล่มโผล่มใส่ก้วงขวงต่อไป อาหากลงถึงอุเเบกขาแล้วก็ดีอุเเบกขาคือวางเฉยได้ถ้าไปเจี่ยวข้องกับวังเขามันอยู่ได้เพียงแค่ความสุขเพื่อเพลิน อ, อีกเอิบกับเขาหนานะ่นักถ้าเขาได้ความสุขเขาได้ควทุกข์ก็ไปไปเดือดร้อนกับเขาอันนั้ไม่ถึงอุปเบกขาแท้ทีแล้วอุปเเบกขานี่ วางเฉยลงไปได้จึงค่อยสบายใจเดี๋ยวกูวเปรคขาแล้วเป็นกลางลงไปได้ไม่ยินดีอะไรเขาเขานัง่งสมาธิธรรมดากันฟังแล้วต้องทำ เรียกว่าฟังทำรรฟังแล้วไม่ทำเก็บไวัน น, าน้าเนี่ยยขาจะทำคิดว่าไปถึงบ้านคนเถ อ, อยังค่อยทำหรือวันหลังคนเถอว่างวก่อคนเถอโอกาสมีเนี่ยค่อยทำอันนั้นเรียกว่าฟังเทศไม่ใช่ฟังทำพูดภาษาบ้านเรานี่แหละ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 เราไม่ทำทำนั่นให้เกิดขึ้นมาในตัวเรียกว่าไม่ทำธรรมเทศนาพาอ่อผเทศเทศที่ไหนไม่เทศที่กายของเราไปเทศที่ไหนเทศเทศที่กายวาจานี่แหละเทศ ท, ที่กายที่ใจนี่แหละแต่คนดูเถิดไหนกับไปคนดูเถิไไนนดถไปฟังเถิดฟังที่ไหนก็ไปฟังเถิดไม่มีหรอกนอกจากกายกับใจเทศทั้ททงนั้น จึงว่าทมในตัวของเราแล้วการกระทำนั่นเรียกว่าทรทำคาสอนพระพุทธเจ้า ก, กายมีอยู่ให้พิจารณาถึงเรื่องกายเนี่ยการกระทำเกสานมานะขาตันตาตะโจอาการสารที่สองแล้วบ่นอยู่เสมอ เราพูดเสมอเราสวดเสมอพูดมากมันเรียกว่าบุญแต่ว่าไม่ให้มันไม่ทำให้เป็นไปทันทีเคสารามานะคาตันทุาตาตาโจอความีิจารวงเราี่ทั้งทามมันมันเห็นดี เพามันเห็นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเกศสคือผมเกิดที่บนจีสระุกระปกที่สุดก็คือผมเกิดบนจีสระคลองซุกระปกไว้ที่สูงด้วยคนเห็นก็เห็นผมเมื่อก่อนคนเราเห็นผมเมื่อก่อน ขางสกปกที่สุดดูมันตกเสี่อาหารการคินกระเกลยดจนเททิง้งของมันเน่ามันสปกปรกปินก็เหม็นสันฐานล่างสันฐานของผมก็ไม่สวยไม่งาม ใครจะเย็บจดต้องก็น่นาเกียรติคนก็เช่นเดียวกันนอกจากบนชีสาแล้วเรียกว่าขนทั้งตัวอันเดียวกันนั่นเนี่ยผมกัขนกันเดียวกันเนี่ยแต่มาอยู่คนต่างสถานที่เฉยๆนะเล็บก็เหมือนกัน ประดับตกแต่งสนดสวยนอนามแต่เวลาตัดออกจากเล็บตัดออกจากมือไว้แล้วลูกเลยไม่อยากจับไม่อยากต้องไขอของหน้าเกลียดวันขอสกขอปรกที่สุด ต้องแปลงต้องถูกแปลงต้องฟันฟันต้องถูทุกนัทต้องมีจาคัดต้องมียาถูทุกวี่ทุกวันแต่ป่านนั้นมันก็ยังเหม็นยังสกปรกอยู่แกทำให้พ้นมันอีกแหละเวลาเคี่ยวอาหารอะไรจะกล้ามคืนกินว่าต้องไปอาศัยฟันนั่นอีกแหละต้องเคี่ยวต้องบด มันแหลกซะก่อนนะก็คืนลงไปําตาหาก็ไม่เขี้ยวไม่แหลกแล้วคืนก็ไม่ได้ลองขายมาลองดูเลยกาวนี้นมันไม่เขี้ยวมันหมดแล้วแล้วเอากลับคืนไม่ได้อีกไหมไม่ได้มันไม่เซาะกระโปรงไงน่ะ โโคโปรกโซโคที่สุดมนุษย์ของเราพูดมากหลายเรื่องหลายอย่างหมายความว่าโซโคโปรกที่สุดในเมื่อมีชีวิตอยู่ไปยังชั่วหน่อยมันล้างมันเช็ดต้องถูต้องขัดเวลาตายแล้วมดท่า จะรักจะชมชอหอมนักต่อใจตาต่างเถอดตายแล้วไม่สามารถจะไปดมมีดหรอกแต่ต้องไม่สามารถจะแต่ต้องได้ิ่งนานวันต่อใจใจยิ่ ง, น, งน่าเกลียดน่าเบื่ออันนี้มันโชคขปกที่สุด การพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นธรรมคำสองพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ทำาไมพระพุทธเจ้ายังสอนทุกระบกนะไม่สอนอยังไงถ้าของมันชกขรกอยู่ดีสอนตามเป็นจริงน่ะสิพระองค์ไม่เอาของเทศมามาพูดหรอก เขาของจริงเนาะพูดมันสเสกกะปกมงตั้งแตเกิดเกิดเกิดเกิดในที่เสกกะปกของเหม็นเน่าเป็นขงเติบโ ต, ตขึ้นมาจะทานได้ของขทุกะปกองอาหารการกรินทุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปนั้นเข้าใจว่าเล็ดอร่อยอาเด็ดอร่อยอะไร เราหยิบเราสวยของคนนั้นมาก็ยังต้องล้างมืออยู่มันทุกข์ขบก็ติดจนต้องล้างของเน่าของปฏิกริยานั้นนะี่ะอาหารทว่าปรุงมาแต่นะั้นร้วนได้ของทุกข์ขบคนนั้นนะ่ะแต่เอาเส่ปากมันก็ยังต้องอช้อนใส่ต้องเอซ้ซอมตักใส่เอามือบางทีเป็น ก็งไมง่มันโชโกโปกต้องเอาช้อนมาตักค่อยเคี้ยวเอาไ่ปากค่อยเคี้ยวได้แล้วพระองค์สอนให้เขาให้เห็นของโชโกโปกในตัวของเราไม่ใช่สอนของดีไม่มีดีจึงเลสอนไม่ได้สอนดีไม่ได้มีได้สอนโชโกโป่งทังนั้น สอนสุขไม่ได้ไ ม, ม่สอนทุกข์ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกเกิดขึ้นมาทุกทั้งหมดทุกตัวตนคนเกิดขึ้นมาสุขไม่มียืนมากยืนมากกว่าทุกเปลี่ยนไปหาเดินค่อย บรรเทาทุกไปนิดหนึ่งไปเดินไปมากหน่อยมันก็ทุกทุกมันบรรเทาบรรเทาทุกนิดหน่อยก็เลยเป็นนั่งก็บรรเทาทุกนิดหน่อยฮะมันเปลี่ยนจากอริยาวหมนั่งนานๆนะเขาก็ทุกอีกเขาไปนอนนอนนะเขาก็ทุกข์อีก ทับลุกขึ้นมามาเดินอีกแล้ววิทยาบททั้งสี่นะี่แหละเปลี่ยนอย่างนี้นะ่ะตั้งแต่เกิดจนวันตายในวันจะตา ย, ยาจริงในจังเดินไม่ได้มีแต่ น, นอนนั่นแนหะทุกข์จนนอนจนทุกขนะ์ทุกข์จนตายนอนน่ะทุกข์จนตาย คนเราพาพันหลงทุกข์เป็นสุขได้ทานอาหารการกินว่าตรงทสมบูรณ์ว่าตนสุขสบายมันสุขอะไรทานอาหารเปิดเข้าเทปปากเขี้ยวแลคลกะงายค่อยคืนมันเปิดเข้าเทปปากมากันก็เลยแสนทุกข์ตัว คนอื่นมองดูมันทุกแสนทุกเออคือนกินไอ้ืกนเองก็าไม่ได้ต้องเปิดวัไถเปิดนั้นเปิดเมสัยทุกเิ่งทุกอย่างเงินยังไงว่ะทุกไม่เห็นทุกสิคนเราจึงไม่ภาวนาไม่เปิด คนไม่เห็นทุกพหนาไม่เป็นหรอกทุกแสนช้าหัดจนกระทั่งแทบจะทนไม่ไหวยอมสระตายท้เมื่อใดนั่นได้เห็นธรรมมาขึ้นมาในตัวคือมันปล่อยวางหมดเสแล้วก็มีมแต่จิตตัวเดียวคือปล่อยวางคำว่าสระทุกนั้น คือชราตายนะคือสระทุกชราร่างกายหมดแล้วก็ยังเหลือใ่ใจนั่นแหละยังเหลือใจอันเดียวตัวแก่นธรรมะแล้วนะตัวใจแล้วนะั้นอันนี้มันสรากายไม่ได้มาคล้ อ, องมนเปลี่ยนกายท่ น, นี้ ก็เลยไม่ลงเป็นธรรมะได้เมื่อสราคายได้ยังเดือ่ใจเห็นตัวใจนั้นเด่นชัดขึ้นมาใจก็เป็นของสว่างเมื่อไม่มีของอี่ปกปิดปันก็สว่างหมดทุิธรรมะของพุทธเจ้าตรงเป็นอย่างนี้ เอาละทุกๆคนเนีพากันภาวนาอย่าง